มันก็คงจะหนาแบบนี้อยู่สักพักแล้วเดี๋ยวก็จะอุ่นขึ้นมาอีกสักหน่อยจะกลับไปกลับมาอย่างนี้อยู่สักสี่ห้าครั้งนะแล้วหลังจากนั้นก็จ ะ, ะเป็นการอากาศก็จะเย็นอย่างต่อนเนื่องนะอันนี้คือสิ่งที่มักสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะแต่ว่าปีนี้อไม่สามารถจะบอกได้แน่ชัดนะว่า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 เกิดขึ้นในระดับโลกก็ได้อย่างที่เขาคาดการพยากรไว้แล้วว่าปีนี้มันจะแรงเหตุการณ์เอลนิโยเป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงของกระแสน้าในมหาสมุทรรู้สึกอย่าแปซิฟิกหรือแอตแลนติกนี่แหละนะความเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ามันมีกระแสน้ำอื่นกระแสน้าเย็นในมหาสมุทรพอมันเปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามันเพียงแค่มัน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 หรือว่าอาหงุดมิดสักหน่อยเนสะร็จแล้วก็ปรับได้ยอมรับเป็นธรรมดาคราวนี้ก็ต้องพอทําใจแล้วก็ต้องทำทำกิจแล้วนะหรือว่าเตรียมตัวเตรียมใจยังไม่พอเตรียมตัวด้วยเราก็ต้องนะคิดว่าจะหาน้ามาจากไหนเพิ่มเติมแล้วก็คิดถึงเรื่องการใช้น้าให้ประหยัดมากขึ้นอันนี้คือการเตรียมตัวนะ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 ความสูญเสียพัดพรากรวมทั้งความตายนะมันก็จะไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวเพราะว่าเราทําใจได้พอทําใจได้แล้วทุกอย่างก็กลายเป็นมิตเป็นมิตรกับทุกอย่างเป็นมิตรแมก้กระทั่งกับความตายเป็นมิตรกับความแก่ความเจ็บความป่วยก็ไม่ทุกข์แล้วเนี่ยอ่าแล้วก็เตรียมรับพรนะ